ขุดชาวิสัญชาติธรรมกับพระท่านหลงตาในวันักราชผีนานอยู่ต่อจากความว่าไม่วางความตอนที่สองแต่เราเนี่ยมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นภาษาเราถ้าเราพูดภาษาธรรมมันยาวๆมันฟังไม่รู้เรื่องและปฏิบัติไม่ได้เราต้องการมาพูดภาษาเราพูดง่ายๆว่ า, รากระบวนการมันเป็นมาอย่างนี้ เพื่อเห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยที่เป็นกายเนื้อเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมาผสมมาจากสเปิร์มกับไข่ตั้งแต่แรกแล้วก็มันก็แม่ก็หายใจเอาธาตุลมหายใจธาตุไฟเข้าไปแล้วก็กินซากพืชซากสัตว์เข้าไปผสมมันกค่อยๆพองออกตอนนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่มีเลยแล้วก็วิญญาณมึงเกื้อมาผสมกับไ อ, อ, อ้สังขารที่ผสมได้วิญญาณนแน่คือเราแหละมาแล้วมาแล้ว ที่ชาวบ้านเรียกว่าผีเนี่ยวิญญาณเนี่ยพอตายแล้วมีผีออกจากห่างก็ไอ้วิญญาณที่มันบวกกับวิชาที่มันยังยังยึดมั่นถือมั่นมันเลยไม่ออกจากไอ้วิญญาณมันเลยไม่ออกจากไอ้กายโปร่งแสงไอ้ไอ้ไอ้รูปวิญญาณเนี่ยมันเลยไม่ออกมาได้เพราะว่าไอ้รูปโปร่งแสงเนี่ยหรือไอ้รูปวิญญาณเนี่ยมันยังมีไอ้ไอ้ตัววิญญาณอยู่ในไอ้กายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไอ้กายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือไกายโปร่งแสงมันเลยไม่ดับเมื่อเลยดับแต่ไอ้กายเนื้อเพราะว่าไรวิญญาณมันออกจากไอ ไอ้ร่างกายเนื้อไปแล้วแต่มันติดอยู่ในไอ้กายปร่งแสงคือมันไม่ยึดเอากายเนื้อว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่มันทุกวันนี้มันยึดเอาไอ้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้มีอารมณ์ผู้คับแค้นใจผู้เศร้าหมองว่าเราเศร้าหมองเราทุกเราโศกเราเศร้าเราคิดเรามีอารมณ์เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มาว่าเราได้ยังไงเราเราลักเราชังทําไมจึงมาพูดด่าเรามาว่าเราอย่างนี้อย่างนั้นมันเอาเราเราไอ้ผู้คิดะเป็นเราเป็นเราเป็นเราทั้งวันทั้งคืนเนี่ย มันก็เลยเราเนี่ยไม่มันก็เลยกลายเป็นทั้งไอ้กายเนื้อและไอ้กายปร่งแสงไปในตัวแต่ธรรมชาติมันทําให้เราไม่สามารถอยู่ในกายเนื้อได้เพราะว่าพอถึงเวลาสิน้นอายุไขไอ้วิญญาณเนี่ยมันเลยต้องออกจากร่างออกไปเป็นกายโปร่งแสงอยู่ข้างนอกไอ้วิญญาณมันเลยไม่ดับเพราะว่ามันไปยึดเอาไอ้ไอตัวเราผู้มีอารมณ์ผู้มีความคิดมีความโศกเศร้าเสียใจขับแคนใจว่าเราได้อย่างไงด่าเราได้ยังไงมีความรักความชังน้อยเนื้อต่าใจ สามีภรรยาทะเลาะกันหงุดกิดเน้อยเนื้อต่ําใจวุ่นวายอย่างวั่นคิดไปปรุงไปกังวลใจไปในดีขึ้นมันเอาตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึงผู้ตองผู้มีอารมณ์ผู้ทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเป็นตัวเราแต่มันไม่เอาผู้รู้เนี่ยผู้รู้หรือวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่มันไม่มันไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างที่มันเป็นธาตุธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนที่มันผสมอยู่กับไอ้ตัวเราเนี่ยมันผสมอยู่กับกายเนื้อและผสมอยู่กับไอ กายจิตเนี่ยเราเรียกว่ากายจิตก็ได้กายเนื้อเนี่ยหรือว่านามกายเนี่ยกายจิตก็ได้เรียกว่ากายเนื้อเนี่ยรูปกายและกายจิตก็ได้แล้วแต่ชื่อมันจะสมมุติก็แล้วกันให้มันสมมติตรงกันก็แล้วว่ามันมีสามกายสามกายคือกายเนื้อหนึ่งกายแล้วก็มีกายจิตเนี่ยกายจิตหรือกายวิญญาณเนี่ยอีกหนึ่งกายคือกายโปร่งแสงอีกหนึ่งกายแล้วมันมีพุทธะแต่พุทธะมันไม่มีกายหรอกแต่เราสมมติเรียกมันมีสามกายพุทธะเรียกว่ากายพุทธะ มีพุทธะหรือจะเรียกว่ากายธรรมะหรือจะเรียกว่ากายอรหันต์ก็ได้มันมีอีกกายหนึ่งในร่างเราเนี่ยสามกายแต่เราไม่รู้ว่ามีสามกายเราไอไอกายเนื้อไอกายที่ความรู้สึกในคิดอารมณ์แล้วไอไอกายพุทธะกายพุทธะกายธรรมะกายสังฆะซึ่งกลายเป็นต้องเป็นอรหันต์เนื่องจากบริสุทธิ์ยังไม่เป็นอรหันต์ในบริสุทธิ์ก็ต้องเรียกว่ากายอรหันต์ก็ได้ หรือเขเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุแต่ลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุมันมีอีกอันหนึ่งอีกกายหนึ่งธรรมธาตุธรรมธาตุหรือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือมันรู้แล้วแลแ้วก็รูปภัณ์สถานมันไม่มีมันไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆรู้เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันไม่มีโป่งโล่งเบาสบายมันไม่มีแน่นอึดอัดทึบ มันไม่มีสว่างมันไม่มีมืดมันไม่มีผ่องใสมันไม่มีเศร้าหมองไอ้ที่ที so like a a ่หมอเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นในไอ้กายเนื้อที่บวกกับไอ้กายจิตสังขารเนี Finnish ่ยนามกายมันเลยมารวมกันแล้วมันก็เศร้าหมองแต่ไอ้ผู้รู้มันเศร้าหมองไม่ได้เพราะว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นความว่างเหมือนกับเหมือนกับความว่างในธรรมชาติต่อหน้าท่านเนี่ยมันเศร้าหมองไม่ได้มันสว่างไม่ได้มันมืดไม่ได้มันผ่องใสไม่ได้มันเศร้าหมองไม่ได้มันโปร่งโ่วงเบาสบายไม่ได้มันทึบมันแนบตึดอัดไม่ได้ มันไอ้กายเนื้อเนี่ยไอ้กายที่เราเนี่ยเห็นก็อยู่ในรูปร่างเนี่ยที่เรามานั่งกันเยอะเลยมันมีกายหนึ่งแล้วก็อีกกายหนึ่งก็คือกายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความทุกข์มีความแน่นมีความอึดอัดมีความผ่องใสมีความเศร้าหมองมีความสบายใจมีความไม่สบายใจไอ้นี่네ก็อีกกายหนึ่งแต่สองกายไม่ใช่เราเราแฉแฉเนี่ยคือวิญญาณที่บริสุทธิ์เนี่ยที่มันเนี่ยเป็นอีกกายหนึ่งคือความบริสุทธิ์เขาเลยไม่เรียกว่ากายหรือจะเรียกว่ากายก็ได้แต่จริงๆริงเนี่ยเขาเรียกว่า ภาษาเขาเรียกหมดเลยว่าเรียกว่าอะไรพุทธกายก็ได้ธรรมกายก็ได้สังากัายก็ได้คือการที่เป็นสังากัจายมาถึงอาาร่านนะอาาร่านกายหรือพุทธกายก็ได้พุทธะกายธรรมกายแต่ธรรมกายเขาไม่เรียกเพราะว่ามีมีคนเอาไปทําจะเสียชื่อเลยเขาไม่เรียกนะ แตจริงๆมันไม่ใช่ธรรมการมันคือพุทธะ ค, คือคือจิตเดิม แ, แท้ๆที่มันไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆแต่คนเอาไปเรียกเพราะเสียชื่อเหมือนเราไปไปทำเสียชื่อไปตั้งชื่อว่าชื่ออะไรเสียชื่อไปหมดแล้วเลยเขาเรียงไปไม่เรียกแล้ว <g ül> เลยเรี่ยงไปเรียกอย่างอื่นหลวงตาหมาโบ้เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุแต่จริงๆน่ะมันมีหนังสือของต่างชาติของของพวกเซนเขาเรียกธรรมเขาเรียกว่าธรรมกายมันเรียกว่าธรรมกายแต่ธรรมกายเนี่ยเขาไปใช้แปลเป็นอย่างอื่นก็ าอาหารย่อยับไปหมดแล้วก็เลยเขาเลยไม่ไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้เออฉั้นขอให้ทุกคนเนี่ยมันรู้แบบนี้ว่าเราเนี่ยมันมีอยู่สามกายไอ้กายเนื้อเนี่ยไม่ใช่กายเรามันกลายมาจากสเปิร์มกับไข่ผสมกันแล้วก็พอสเปิร์มกับไข่ผสมกันแม่ก็หายใจเอาเอ่าทานลมหายใจเข้าไปท่านไปก็ไปแล้วไปกินสาร่ายสาหรตว์เข้าไ ป, ม, าาาาาไปมันก็เลยกลายเป็นหย ด, ดเลือด แหยดเลือดเนี่ยมันก็ดูดเอาเนี่ยมันก็ซึมผ่านไปนะมันดูดแล้วเพราะมันยังไม่มันดูดไม่ได้นะมันก็ซึมมาจากไอสายรกนี่แหละผมแม่กินซากพืชซากสัตว์กินน้ำเลือดน้าเหลืองเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองันก็ไหลเข้าไปผสมในเลือดเนี่ยก็โตโตมาเนี่ยโตเราเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยน่นน้เลือดน้ำเหลืองของซากสัตว์ทั้งนั้นเนี่ยซากศพทั้งนั้นไอเทวดาถึงมาอยากเข้าใกล้เราเราเหม็นสาบเหม็นสามากเลยเทวดาต้องแอบมาหากลางคืนกลางวันไม่มาบอกเหม็นสาบเหม็นสารทนไม่ไหวนี่ไง ว่าแหละมันมีแต่สร้างพืชสร้างส like, ตัตว์และสร้างศพอยู่ในตัวเราตเต็มไปหมดเลยเราก็บอกว่าไอ้ตัวเราที่เป็นกายเนื้อสร้างศพเนี่ยที่ดูดออกไปดูดเอาไ ป, อาไปพองออกมาเนี่ยนี่คือตัวเราแต่ไม่ใช่มันมีวิญญาณอีกอันนึงมาผสมกับไอ้ไอ้ไอ้หยดเลือดที่มาผสมดินน้ำลมไฟเนี่ยมันมีวิญญาณมาเข้าผสมอีกอันหนึง่งเราเนี่ย่ยคือวิญญาณนั้นเนี่ยเข้ามาผสมแต่วิญญาณที่เข้ามาผสมเนี่ยมันยังเป็นวิญญาณที่เป็นอวิชาอยู่คือมันเป็นวิญญาณแปลว่ารู้นะไม่ใช่วิญญาณแปลว่าผี แต่เพราะไอ้วิญญาณเนี่ยมันไปนยึดเอาไอไก้ไกายกายกายเนื้อของนแต่ละชาติที่มันมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์เนี่ยคือยึดทั้งกายเนื้อยึดทั้งอไอ้ไกายจิตปงแต่งเนี่ยกายปร่งแสงเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามาทุกชาติพอเราไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเราก็บอกไอ้สัตว์ปีกเนี่ยคือตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคานในชาตินี้เรากลัวงูมากเลยรังเกียจไอ้งอูพวกสัตว์เลื้อยคลานขยะขยงมากแต่จริงๆอ่ะเราก็เคยเป็นมาเยอะแลยงูสัตว์เลื้อยคานตัวไอ้สัตว์เลื้อยคลานที่ต่างเราเปนนมเยอะะรงแแลด่ แต่ถ้าเราไปอยู่ในร่างมันเราก็บอกว่าตัวเราตัวเรานี่คือตัวเรานี่คือตัวตนของเราเพราะมันยึดเอาไอ้ไอ้ร่างนั้นเนะ่ะเป็นตัวเรามันยึดเอาไอ้ร่างนั้นเป็นตัวเราพระเจ้าจึงไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่ามันอาฆาตแค้นพยาบาทได้มันออกมาทุกข์โศกเศร้าเสียใจยได้นี้ไอ้วิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่บวกกับอวิชชามันเป็นวิญญาณที่บวกกับอวิชชามันเลยหลงอยู่มันก็เลยเป็น หลงอยู่มันก็เลยตายแล้วไอ้วิญญาณที่เป็นมันกายโปร่งแสงอ่ะมันเลยไม่ดับเพรมไปหลงเอาไอ้กายในแต่ละชาติเป็นตัวเราแล้วไอ้กายในแต่ละชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นสุลกายไม่ว่าเปลี่ยนร่างไปยังไงก็หลงเอาไอ้ร่างใหม่เป็นตัวเราเลยไปไอ้ร่างใหม่นี่มันหลงทั้งไอ้ร่างกายเนื้อด้วยและหลงทั้งไอ้ร่างกายโปร่งแสงซึ่งเป็นอตัวที่เป็นความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ที่เป็นตัวเศร้าหมองเนี่ยอาจารย์หนูเศร้าหมองอนุจันหนูแน่นอาจารย์ภพอึดอัด อาจารย์ผมปโป่งร่องเบาสบายอาจารย์ผมทุกคนอ่ะไปเอาไว้ตัวเนี่ยที่มันมีอาการเนี่ยเป็นตัวเราหมดเลยมันก็สรุปแล้วรวมก็มันก่ตัวเราก็รวมไปกายเนื้อด้วยเนี่ยทุกชาติไปไม่มีใครพูดเลยบอกว่า อาจารย์ไม่ว่าตัวผมจะเกิดเพื่อะไรแต่ตัวผมเป็นรู้ไอ้ตัวผมเนี่ยที่มันเกิดเป็นอาการใดไม่ใช่ตัวผมไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้สักคนเดียวมีแต่บอกว่าอาจารย์ผมเป็นอย่างนู้นผมเป็นอย่างนี้ช่วยผมด้วยดิทำไมมันแน่นอย่างนี้ทําไมอันนี้ทำไมผมปวดหัวทําไมผมตัวนั้นผมอย่างงี้มันเอาไว้ตัวที่มีอาการเป็นตัวผมอ่ะก็เลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเวลาตายแล้วมันก็ เ, าา เ, นกเดนออกมานอกล่างเพราะว่าธรรมชาติมันไม่สามารถอยู่ได้ไอไกายเนื้อตลอดไปไงเพราะว่ามันต้องเน่าไงแต่ไอ้วิญญาณเนี่ยที่มันผสมกับไอ้กายโปร่งแสงเนี่ย ไอ้กายเรียกว่าที่ท่านหลวงพูดูนท่านใช้คําว่ารูปวิญญาณเนี่ยหรือไอ้นามกายก็รูปนามกาย ก, าย ก, ายกาย็ไรที่เป็นขันที่เป็นไอ้เนี่ยที่เป็นจิตปรุงแต่งเนี่ยที่มันเป็นรูปโปร่งแสงเนี่ยมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายมันก็เลยกระเด็นออกมาพราะกระเด็นออกมาเนี่ยมันก็เล ย, ย, เ, ลยเป็นรูปร่ามโปร่งแสงชาวบ้านทั่วไป ก, ก, ก็มองเห็นได้บางทีเนี่ยว่าผีมาแล้วผีผีพอมีคนตายเห็นผีมีคนตายเห็นผีนี่ไงมันก็เลย ชาวบ้านก็เลยบอกว่าวิญญาณเนี่ยคือผีเวลามีคนตายแล้วกลัวมากเล ย, ไ ม, ลยลไม่กล้าอยู่ในบ้านนั้นไม่กล้าอยู่ในบ้านนี้รักการปานจะเกินกินพอสามีผูกคอตายอยู่ในห้องน้ํำนะบ้านสร้างมาอย่างดีเลยรักการปานจะเกินกินเนี่ยปรากนว่าย้ายออกจากบ้านแต่ทันหันเลยไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้เข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ต้อย่าให้บ้านหนีไปเช่าบ้านอื่นอยู่เพราะอะไรกลัวกลัวผีสามีรักการตานจะเืนกินพอเป็นผีแล้วกลัวมากเลย นี่รู้รักยังไงลุ่มหลงยังไงพอเป็นผีแล้วโอยอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่บ้านเช่าเพราะวอะไรเอา้าเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ไม่จะแอบก็แย่แล้วทั้งนี้เพราะอะไรผีก็มาผูกคอตายในห้องน้าําอ่ะโอ้โหกลัวมากเลยเนี่ยดันชาวบ้านเลยแปลว่าวิญญาณแปลว่าผีถูกของชาวบ้านเพราะอะไรก็ไอผู้รู้เนี่ยเราซึองเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณาภาทธาตั้งเดิมแต่แท้มันไม่ออกจากไอ้ไอวิญญาณที่ปร่งแสงที่มันเป็นตัวยึดอะ เป็นผู้ว่าไอ้ตัวเราที่เป็นอาการมีตัวเราที่มีอาการมันไปยึดเอาตัวเราที่มีอาการมีอาการมันก็เลยไปยึดพบมันไม่ดับเลยตัวกายปร่งแสงมันไม่ดับไอ้วิญญาณเนี่ยมันออกจากล่างเป็นธรรมชาติที่อยู่ไม่ได้ล่างก็เลยเน่าแต่วิญญาณมันไม่ออกจากไอ้ไอ้ร่างกายปร่งแสงก็สิออแล้วเราก็ต้องมายอมเป็นอย่างนั้นแหละเราจะกลับไปคืนสู่ไอวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุดั้งเดิมที่มันไม่ไ ม, ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันทั้งไม่เป็นกายปร่งแสงด้วยทั้งไม่เป็นกายหยาบด้วย มันก็เลยกลายเป็นหายตัวไปไปเป็นหนึงเดียวกับความว่างในธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเอพระโคติกาเนี่ยพระโคติกาเชี่ยดคอตายแต่ตอนที่เชี่ยดคอตายเนี่ยก่อนเชี่ยดคอตายพระพุทธเจ้ามาเทศสอนจนฟังทำซึ้งถึงใจแล้วแต่ได้ความที่มันเป็นโรค ล, ลายปวดทรมานแสนสาหัสไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดได้เลยเอามีดมาเชี่ยดคอตาย แต่ตอนเจ็บค อ, อตายเลือดมันก็ไหลนองออกมาก็ปองสลดควาเวทในสังขารร่างกายตัวตนซึ่งมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ปล่อยวางทั้งสังขารกายเนื้อและปล่อยสังขารในไอความรู้สึกมื้อคิดอารมณ์ซึ่งเป็นกายจิตปรองแสงเหลือแต่รู้ที่ไม่ไปเกาะเกี่ยวพัวพันสิ่งใดได้แต่รู้ได้แต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันสิ่งใดไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด สักแต่ว่ารู้นี่งาะพุทธเจ้าจึงตัดกับที่พายะและพระ ม, มาลุมพยบุตรว่าเธอจงฟังให้ดีที่พายะเดินทางมาไกลมากแสนไกลเป็นคารวะนะเดินทางมาที่จะมาเฝ้าพุทธเจ้าเพื่อจะถามว่าจะบรรลุอลหรหันต์จะบรรลุนิพพานนะจะทาําไงเยียบลุนิพพานโอ้โหหยหามากเลยเดินทางมาไกลแสนไกลไม่หลับไม่นอนข้ามวันข้ามคืนองค์พระพุทธเจ้าบินตาบาดอยู่กลางทาง กอดแก้งกอดขาอุย้ยปดเมตามตาเมตตาสอนพระพุทธเจ้าด้วยทำยังไงที่จะบรรลุระนิพพานโอ้ยกอดแข้ขงกอดขาพระพุทธเจ้าบอกว่าไฝยะนี่เป็นเวลาบาิดาบัดไม่เหมาะกับการที่จะมาแสดงธรรมไม่ยอมแหละไม่ยอมอ้อนวอนอย่างนี้แน่โอ้ยพระพุทธเจ้าเดินทางมาไกลแสนไกลอ่ะหิวหิวมากเลยหลิวพรนิพาน พ, นพานอหิวพรนิพพานวะพระพุทธเจ้าพยายามเตะปลอดปอบให้หายประโลมใจแล้วก็ให้มันสงบลง ได้ว่าพัยยะจงตั้งใจฟังให้ดีถ้าเธอจะบรรลุปณิพนิพานนะเธอเห็นจงศักด์แต่ว่าเห็นได้ยินสักด์แต่ว่ายินรู้อาการทางใจศักด์แต่ว่ารู้รู้ความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์รู้อาการทุกอาการรู้ทุกคิดจงศักด์แต่ว่ารู้ดัง น, นั้ะเธอจับรรลุปณิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้และไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจับรรลุปณิพพานมันตีมไปที่มาของคํานี้ไงพัยยะฟังจบก็บรรลุอรหันต์เลยเป็นรู้เลย ไม่ไปเป็นกายเนื้อไม่ไปเป็นกายที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่เป็นกายที่เป็นนามกายนามขันไม่ไปเป็นรูปขันแต่เป็นรู้ซึ่งกลับไปคืนสู่วิญญาณธาตุหรือวิญญาณแปลว่ารู้เลยกลายเป็นรู้ดั้งเดิมที่ไม่ใช่ว่ารู้วิญญาณแปลว่าผีที่ชาวบ้านบอกว่าวิญญาณแปลว่าผีลอยจากล่างต่อไปกลายเป็นรู้เสร็จแล้วไม่ไปเป็นกายเนื้อไม่ไปเป็นร่างกายที่ เอ่เอกายเนื้อที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่มีอาการติดต่อไปเป็นรู้สักแต่ว่ารู้นี่ไงที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ได้เธอจะบรรลุนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้และไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าพอพระโคติกาชื่กดคอตายบรรลุอรหันต์เป็นรู้ปุ๊บยมมาทูตมารอเฝ้าลงแต่แรกแหละอ้าวหาวิญญาณของพระโคติกาจะไปลงโทษบาปกรรมเก่าก็ยังใช้ไม่หมดค่าตัวตายอยันนี้ไปแล้วยังต้องไปรับบาปกรรมใหม่คือเกิดมา เป็นมนุษย์ต้องฆ่าตัวตายฆ่าร้อยชาติเอา้าจะไปลงโทษหาวิญญาณไม่มีที่บอกว่าวิญญาณเป็นผีวิญญาณคือผีรอยจากล่างแต่ของพระติโคติกะไม่มีฮะหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเอา้าวิญญาณไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเออยมมาทูตหาวิญญาณพระโคติกะไม่เจอทั้งที่เห็นว่าเชือดคอตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยมาเป้าอยู่อ่ะแต่ทําไมหาวิญญาณพระโคติกะไม่เจอพระพุทธเจ้าดัดว่า พระโคติกะบรรลุอรหันต์แล้วบรรลุพันธิพานแล้ว mm. วิญญาณของพระโคติกะจึงดับไฟเหมือนดังไฟสิ้นเชื้อหรือเหมือนดังเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าและถูกเป่าดับพึบหายไปในความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่อาจค้นหาวิญญาณของไครไปลงโทษได้ต่อไปไม่อาจค้นหาวิญญาณของพระโคติกะไปลงโทษได้ต่อไป ใช้ที่ปฏิบัติมาถึงรู้สัตวารู้ไม่เข้าไปยึดอะไรนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกันหมดจะเข้าสึงวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณดั้งเดิมแทๆ้ๆที่ไม่มีตัวตนไม่มีกายโง่งแสงแล้วก็กระเด็นออกมาแล้วกายเนื้อตายปุ๊บสิ้นงลมงหายใจหายใจยาวเลือกลือคนจะตายไปดูได้หายใจยาวเลืหกนี่ไหมหมอไปดูดิไม่ว่าสัตว์หรือคนนะหายใจเหมือนคนที่มัน ลกอัดอะไรนะ้นเาเรียกนะั้นพอร์ตไม่มีอากาศใช่ไหมอากาศไม่พออาจาจะยาวดับไปเลยเรายืนดูหลายคนแล้วเขาเขาตามเราไปช่วยไปช่วยให้ได้แล้วช่วยไปบอกทางเอ้ยแต่ยังมันมาพาเราไปงนั่นเไม่ออกเราบอกนี่จะพาแห่มัอนมันมาพาเราไปก็ตายไปตัวหน้าตายกายเนื้อหายใจาเหือกเหือกแล้วก็สิ้นไปแตไอ้ไอ้ไกายโปร่งแสงเนี่ยมันมันมันออกมามันก็เด็นออกมาแล้ว แต่ท่านออกจากกายโปร่งแสงได้อีกกายหนึ่งวิญญาณของท่านไม่รวมกับกายปร่งแสงคือไอ้ไอ้ไอ้ท่านมายึดเอาไว้ไอ้ตัวเราเนี่ยตอมีชีวิตมายึดเอาไอ้ตัวเราเนี่ยผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้มีอารมณ์ผู้ใจห่อเหี่ยวใจเหือดแห้งใจแน่นใจอึดอัดใจทุกเพราะว่ารู้เนี่ยมันไม่มีอาการครับจำไว้นะรู้เนี่ยมไม่มีอาการพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอสลีลังคืออสลีลังเนี่ยสรีละมันแปลว่าแปลว่ามีรูปพันธสถานอสรีละคือมันไม่มีรูปพันสันานอะไรเลยมันไม่มีอาการใดๆเลย มันไม่สว่างมันไม่มืดมันไม่ผ่องใสมันไม่เศร้าหมองมันไม่ทึบมันไม่แน่นมันไม่อึดอัดมันไม่โปร่งโล่งเบาสบายมันไม่คิดมันไม่นึกมันไม่ตึกไม่ตองไอผู้ที่มีอาการเนี่ยมันคือไอ้กายปร่งแสงแต่ตอนนี้มันรวมอยู่ในกายเนื้อมันก็เลยรวมกันด้วยเป็นทั้งไอ้กายเนื้อและกายปร่งแสงแต่เวลาพอออกจากกายโปร่งแสงอีกทีมาเป็นรู้เนี่ยไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยมันก็เลยดับเพราะว่าพอวิญญาณออกจากกายเนื้อกายเนื้อกระดับพอวิญญาณออกจากไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยไอ้กายโปร่งแสงก็เลยดับไปเหลือแต่รู้หายไปเนี่ย ย่มาทู่ก็เลยตามตามหาวิญญาณของพระศตกคนที่กาไม่เจอเลยคือเอ้าไอ้กายโปร่งแสงซึ่งเป็นวิญญาณที่เป็นรูปร่างกายปร่งแสงหายไปไหนล่ะจะไปลงโทษไม่มีแล้วหายไปแล้วเพราะว่าวิญญาณไม่ออกจากไอ้กายโปรงแสงด้วยไม่ใช่ออกจากกายเนื้ออย่างเดียวนะมันก็เลยไอ้กายโปร่งแสงก็เลยดับไปเลยไอ้กายเนื้อมันออกมาแต่แรกแล้วมันก็ดับเน่าอยู่แล้วไอ้กายโปร่งแสงพอออกมาจากมัอีกทีนึงไอ้กายโปร่งแสงมันก็เลยดับไปเพราะวิญญาณออกจากอะไรเพราะนั้นดับหมดที่มันอยู่ได้เพราะมันยังมีวิญญาณอยู่ นี่ไอ้กายเนื้อ peuple, มันดับไปเพราะไม่มีอวิญญาณเข้าไปอยู่แต่มันไปอยู่ในนี่มันไปอยู่ในไอ้กายโปร่งแสงไอ้ไอ้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอมผู้อมีอารมณ์มันไปยึดเอาไอ้ตัวนี้เป็นเราเป็นตัวตนของเราอาจารย์ทำไมผมแน่นอย่างนี้อาจารย์ทําไมผมอัดอย่างนี้อาจารย์ทำไมหนูเป็นอย่างนี้ทําไมหนูนี้ทําไมหนูไม่ไม่โล่งไม่เบาสบายพอโล่งเราเบาสบายเดินยิ้มแผลไปย uh? ิ้มแผลมาเราบอกไม่ใช่นะมันย how ึดผิดตัวเราไปยึดเอาอาการเป็นตัวเราเดี๋ยวเถอะมันก็ะเด็นออกมาหรอ ไม่เชื่อเราเนี่ยรับสุดเสร็จแล้วกลับไปก็ไปทุกอย่างเดิมเห็นไหมหมอเห็นไหมเนี่ยไปยึดเอาไอ้อตัวที่ยิ้สบายยิ้แผยยิ้นะสบายแล้วสบายใจสบายใจแล้วไม่ปฏิบัติต่อแล้วไปยึดเอาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กายที่สบายเนี่ยคือไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยที่มารวมไม่กายเนื้อเนี่ยเป็นตัวเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรายึดไอ้กายที่มีอาการก็ยึดอาการที่มีอาการเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยไอ้กายเนื้อมันพอถึงที่อายุขไงกายเนื้อมันต้องดับวิญญาณอยากจะอยู่ก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่มันอยากจะออกจากไอ ไปกายจิตโปรงแสงมันออกไม่ได้นี่สิมันออกไม่ได้แต่ไอ้ส่วนกายเนี่ยเราไม่อยากจะออกแต่ถูกบังคับไม่ออกมันก็เลยเน่าแต่ทั้นเราอยากจะออกจากไอ้จิตโปรงแสงเนี่ยไอ้กายโปรงแสงเนี่ยซึ่งเป็นรู ป, ปรกายรู ป, ปรู ป, ปรูปวิญญาณเนี่ยมันไม่ดับเพราะรูปวิญญาณมันมีมีไอ้มันไปนรวมกันซะกับไอ้จิตที่มีอาการไอ้ตัวเราที่มีอาการมันเลยไม่ดับไงเราอยากจะออกมันก็ไม่ออกแต่พอเราเป็นรู้ซะ มันก็หลุดออกจากกันแล้วมันก็เลยดับไปแต่ไม่ใช่เราพูดอย่างนี้แล้วหลายคนปฏิบัติจิดแล้วเอาเลยอาจารย์ม่าชาวไทยมารู้มาถามเราอาจารย์อย่างนี้ฝึกอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เราเอาผู้รู้เนี่ยแล้วเราไปลอยไว้นอกตัวนะอาจารย์เราจะไม่จิตไอ้กายเนือแล้วไม่ได้ติดไอ้ไอกายจิตไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์แต่เราเอารู้ไปไว้ไปลอยไวทนอกตัวเราได้ไหมอาจารย์เอไม่ทาเข้าใจคิดจริงๆเะแล้วมันจะได้ไหมอย่างนั้นนะฮะ มันจะเอารู้เนี่ยลอยออกไปยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะลอยได้ไงมันมีชีวิตอยู่มันก็ต้องรวมกันอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้าลอยออกไปได้จริงๆก็ต้องตายพี่มันยังไม่ตายอ่ะแล้วมันจะไปลอยได้ไงมันต้องรวมอยู่ไอ้สามกายแล้วมันต้องมารวมอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่มันรวมอยู่ด้วยกันสามกายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันสามกายแต่ให้ร่วมมีสามกายงั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ผมจะหลุดออกจากกายเมื้อแล้วผมจะหลุดออกจากไอ ไอ้กายปร่งแสงกายที่มีความรู้สึกแน่นอึดอัดโป่งโรคเบาสบายที่มีความรู้สึกคิดอารมณ์แล้วผมไม่เอาแล้วผมจะไปรอยอยู่นี่หนูจะไปลอยใครไม่รู้มาปรึกษาเราเมื่อเช้าเราจำไม่ได้ลจะจำเอาไปรอยออกตอนยังไม่ตายเลยดูทีคิดจะรอยแล้วไอ้เจ้าอยู่ข้างนอกมันจะไปรอยได้ยังมยังไม่ตายมันต้องมันชีวิตอยู่ก็ต้องรวมกันไอ้กายเนื้อก็ต้องอยังอยู่ไอ้กายกายนา ม, มากายรูปกายก็กยังอยู่ไอ้นา ม, มากายก็ยังอยู่ไอ้จิตโปร่งแสงก็ยังอยู่แล้วไอ้ไอ้ผู้รู้เนี่ยจิตเดิมแท้มันก็ต้องอยู่เพรมันมีชีวิตนี่มันยังไม่ตายนี่ต้องตาายยกก่อนเ้แ เราจะไปแยกกั้นได้ยังไงแต่ให้ความเข้าใจไว้ก่อนเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าไปยึดอะไรมันก็จะได้เข้าใจถูกตัวอย่าไปเข้าใจผิดตัวว่าเราคืออะไรเราไปจับผิดตัวไปจับเอาไอ้ไกายเนื้อเป็นตัวเราแต่ละชาติเราไปจับมายเยอะแล้วไอ้ไกายสี่ขามัง่งกายสัตว์ปีกมั่งกายเลือ้อยคลานมัง่งกายเป็นแมลงมัง่งกายเป็นเปรตสุรกายกายเป็นสัตว์นรกมัง่งเป็นเทพระดาเป็นมนุษย์ลูบล่าต่างๆมั่งเป็นตัวเราเราไปจับเอากายเนี่ยแต่ละชาติมาเป็นกายเราไม่รู้กี่ชาติ เราลงไปทุกชาติเนี่ยออเออพอเราเข้าใจนี้เราจะได้ไม่จับไปไอ้กายเนื้อที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเ ป, น เ, เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราและเราไม่ไปจับเอาไว้ไอ้กายโปร่งแสงที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไอ้นาม ก, กายเนี่ยซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา <S <S ไม่ยึดทั้งรูกปากายไม่ยึดทั้งนามากายแต่มาเป็นผู้รู้คือผู้รู้เนี่ย ไม่ใช่ผู้ไปจอรู้อาการนะไม่ใช่นะคือผู้ที่รู้ว่าไอ้รูปกายกับนามกายคือไอ้ไอ้ตัวเราที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเนี่ยเป็นรู้ไม่ใช่ว่ารู้นี่ถือหลายคนไปทําต่อหน้าต่อตาเราหลายคนมากเลยไปไล่รู้อาการอันนั้นไม่ใช่รู้นะไอ้ที่ไปคอยจอรู้อาการไว้เนี่ยมันไม่ใช่รู้อันนั้นน่ะรู้เนี่ยมันคือ รู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดรู้พ้นว่าไอ้รู ป, ปรกายเนี่ยรูปกายเนี่ยไอ้ร่างกายเนื้อเนี่ยแต่ลสชาติที่มันเปลี่ยนไปยังไงก็ตามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเข้าใจแล้วเนี่ยอธิบายจนคอแห้งนะนี่มันก็เข้าใจแล้วเนี่ยเออแล้วก็อนามากายไอ้ตัวเราจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มันคิดได้นึกได้ยังมีชีวิตจิตใจไม่ใช่ตัวเราแต่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันมีอารมณ์ยังไงมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไง ตัวเราร่างกายเรากินเรานอนเราขับถ่ายไงอะเรารู้ว่าตัวเราเนี so ่ยเป็นยังไงเอ่แล้วเราก็รู้ว่าไอ้กายเนื้อเนี่ยมันมีอาการอย่างไงมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าไอ้กายเนื้อเนี่ยกายกายจิตองแสงเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นามกายเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราเป็นรู้แต่เราเป็นรู้เนี่ยไม่ใช่บอกมีตัวเราอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่คือเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่ใช่บอกมีตัวเราเป็นรู้อีกตัวงไอ้ตัวเราเนี่ยมันไปเป็นตัวรรู้้ไไม่่ดเพาาะว ไอ้ตัวเราเป็นตัวที่คิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวที่สร้างความรู้สึกไว้ตลอดเวลาไอ้ตัวที่สร้างความรู้สึกไว้ว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งแต่ไอ้ที่มารู้ว่าเราตัวเราเนี่ยสร้างความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยน่ไอ้นั่นเนี่ยมันจึงเป็นรู้ที่ว่าอะไรคือรู้ไม่หลงนะรู้ไม่หลงคือไม่เอาไว้ไอ้ตัวกายเนื้อและไอ้ตัวที่สร้างความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวที่สร้างความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีรูปร่างเป็นกายเนื้อหรือกายปร่งแสงเนี่ย ไอ้ตัวความรู้สึกที่ไปสร้างไว้ว่าตัวเรามีตัวตนเนี่ยอันนั้นมันต้องอาศัยไอ้ไอ้จิตปรุงแต่งมันถึงจะไปสร้างได้แต่ไอ้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีเครื่องมือมันไม่มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์อะไรมันไม่มีเป็นอาสลีลางเป็นอาสลีละไม่มีรูปพันสัตตานใดๆมันมาสร้างอะไรไม่ได้มันได้แต่รู้มันสร้างว่าเรามีมีตัวตนไม่ได้แต่มันรู้ได้มันอาศัยไอ้ไอ้ กายเนื้อกับไอ้กายจิีปรุงแต่งอาศัยรูปขันนามขันนี่เนี่ยมันอาศัยขันห้าเนี่ยทําความเข้าใจได้เข้าใจว่าเออขันห้าทั้งตัวรูปขันกับนามขันเนี่ยไอ้กายเนื้ออะไรกายปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือมันอาศัยสติสมาธิปัญญาในสังขารขันเนี่ยมาทําความเข้าใจอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญามาเรียนรู้ทําความเข้าใจตามที่หลวงตาพูดและทําความเข้าใจในทุกขณะปัจจุบันว่าเออ เราที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยไอเราที่พูดได้ที่คิดได้ที่มีความรู้สึกได้ที่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันคือขันธ์ห้าที่เอามาปรุงแต่งส่วนไอผู้รู้เนี่ยมันมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้มันคิดไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มันได้แต่รู้แล้วมันเอาไอรู้เนี่ยมาปรุงเป็นเราอะมีตัวตนไม่ได้ที่เราเนี่ยมาปรุงละเราเนี่ยมีตัวตนได้ เราเนี่ยปรุงว่าเรามีตัวตนได้ปรุงแต่งว่าเราเนี่ยจงใจจะไปดูจิตพยายามจะไปดูจิตพยายามจะไปเพ่งจิตอะไรล่ะเจตนาที่จะไปดูจิตเพ่งจิตไปไล่ความคิดมันดับไปหมดเหลือแต่ใจว่างๆไอ้พวกเราเนี้มันปรุงแต่งหมดเราต่อให้ดับความคิดหมดให้เหลือแต่ความว่างๆมันก็เป็นความรู้สึกว่างก็ ก, กลายเป็นไอ้ไอ้รูปขันนามขันเนี่ยบางทีมันไปปรุงแต่งแต่ไอ้รู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง มันปรุงแต่งไม่ได้ดังนั้นอ่ะพ้าแม่กูป้าอาจารย์หลวงปู่ธาตุยงบอกว่าฮู้ซื้อซื้อฮู้ซื่อซื้อมันเป็นยังไงก็ฮู้ซื้อซื้อถ้าเราฮู้ซื้อซเนี่ยฮู้ซื้อซื้อภาษาอีสาน อ, us us. อ่ะท่านว่าฮู้ซื้อซื้อเวลามาหาท่านถามอะไรก็ฮู้ซื้อซอโดนดุทุกทีเลยฮู us us. ้ซื้อซอภาษาอีสานเราพูดไม่สำเนียงมันไม่ได้ใครอีสานพูดเลยฮู้ซื้อซื้ออะไรเนะี่ยอีสานนะะแต่เรามาเขียนหนังสือเป็นรู้ซื่อซื้อมาแปลใหม่เพราะเขียนนูู้้ซื่อไไปคไมรจัก เราเป็นรู้ซื่อๆนิพพานนี่ไงัต่มันได้แต่รู้ซื่อแต่ไอตัวที่ไม่ซื่อที่มันสารพัดจะปรุงแต่งเนี่ยมันคือขันหน้ามันคือไอลูกประขันกับไอนามขันเนี่คือขันหน้าเนี่ยมันสารพัดจะปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นตัวเรามัางปรุงแต่งเข้าไปแทรกแซงปรุงแต่งไปทําอย่างนี้พอมีความคิดเกิดขึ้นมันปรุงแต่งเอาเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วไปดับพอมีความคิดเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นผู้รู้ขึ้นมาไปดับความคิดเพื่ออะไรเพื่อทําให้ใจว่าง เวลาสอนนั่นฟังก็ทําแต่ว่างอย่างเดียวมาหาเรามีแต่ว่างนิ่งเฉยว่างนิ่งเฉยว่าเราไม่ได้สอนมันมัิไปเอาไปจากไหนพวกนี้มันคิดอยู่อย่างเดียวหมาอย่างเดียวจะดับความคิดในมันหมดเลยพอมีความคิดเกิดขึ้นและมีผู้รู้ไปจัดการพอมีความคิดเกิดขึ้นไอ้ผู้รู้ตามมาเราก็สังเกตดูแหมเราสอนไอ้นี่มันทําอะไรกองมันในจิตวะเนี่ยมันไม่มีสนใจจะฟังเลยมันไล่ไล่กว่าไล่ดับความคิดอยู่อย่างเดียวเลยเราว่าเดี๋ยวเดีย ทำอะไรมันวัวกระถิงบ้าไล่คิดอะไรอยู่เนีให้ฟังให้เข้าใจเนี่ยไล่ดับหมดเลยไปหมายว่าถ้าความคิดดับหมดเหลือใจเหลือแต่ว่างมันจะเป็นนิพพานแล้วมันจะได้หายคือหายไปในธรรมชาติจักรวาลมันจะไปหายได้ไงมันเป็นความปรุงแต่งอยู่อ่ะมันก็เลยออกมาเปในไอ้กายปรุงแต่งอยู่นั่นเน่ยมาไล่ดับความคิดกันนอกร่างอะไรนั้นแหะต่อให้ร่างตายแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมานอกร่างมันก็ไปไล่พอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไปไล่ดับมีความคิดเกิดขึ้นไปไล่ดับกันได้อีกมันก็มานั่งไล่ดับกันในงานศพตัวเองอะไรอย่างั้นน่ะ มันจะไปทํามันจะไปเป็นออกมาจากไ อ, ไอตัวปรุงแต่งได้ไงเพราะมันยังเป็นปรุงแต่งมันต้องปไปให้ออกมาพิกายปร่งแสงอยู่ดีเนี่ยมันต้องหลุดพ้นจากไอไอความปรุงแต่งคือไอผู้รู้มันปรุงแต่งอะไรไม่ได้ต้องหลุดพ้นจากปรุงแต่งทั้งหมดจึงมาเป็นความไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารคือสิ้นความหลงปรุงแต่งหลุดจากความปรุงแต่งทั้งมวลมาเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งส่วนในร่างกายเขาเรียกว่า สังขารคือกายสังขารเรียกว่าความปรุงแต่งให้เป็นกายขึ้นมาไอ้ส่วนนามกายเขาเรียกว่าจิตสังขารคือมีการปรุงแต่งทั้งฝ่ายจิตขึ้นมาอส่วนผู้รู้เนี่ยหรือพุทธะเนี่ยไม่มีกิริยาการใดๆเลยเขาเรียกว่าความไม่ปรุงแต่งหรือวิสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหลงไปเอาไอ้ตัวที่ปรุงแต่งนะ่ะเป็นเราเป็นตัวเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวตนของเรา แค่นั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเราไปสร้างเอาเลยหลายผลอ า, างนี้ก็ง่ายมากเลยอาจารย์เราก็สร้างความไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเลยก็บอกแล้วชื่อมันก็บอกแล้วว่าสร้างไปสร้างความไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยหรือบางคนก็อยู่็วันรุ่งขึ้นกับมหาเราอาจารย์ว่างแล้วเนี่ยอาจารย์ดูสิข้ามคืนว่างแล้วดูสิ มันยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมาฟังทมข้ามคืนมาบอกอาจารย์นี่อาจารย์ว่างแล้วแต่ละคนน่ะมันไปปรุงแต่งว่างมาตั้งแต่กลางคืนน่ะไปทําความรู้สึก ม, มันว่างไปเลยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กลับคืนถู่ธรรมชาติแล้วพอตายแล้วเนี่ยวิญญาณ ย, ย ม, มาทู่นหาหาไม่เจอแล้ว <c oughs> เฮ้ยบางทีเนี่ยเหมารถตู้มาหาเราต้องสองคันเนี่ยมาเนี่ยเพื่อจะมาให้บอกว่าว่างแล้วมาให้เราดูว่าว่างแล้วโอุย้ย มันจะว่างอะไรมาต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพมาถึงมาถึงไกลตั้งกี่กิโลเนี่ยสองสามร้อยโลยังคิดไม่ออกว่าเนี่ยมันปรุงมาตลอดในรถเนี่ยนี่มันปรุงแต่งมันเป็นในกายปรุงแต่งตายแล้วมันต้องออกมาปรุงแต่งจะมาให้เขารับรองมันก็ปรุงแต่งอยู่แล้วชื่อมันก็บอกปรุงแต่งอยู่แล้วมันไม่หลุดจากความปรุงแต่งมาเป็นความไม่ปรุงแต่งไม่ใช่เราไปปรุงแต่งให้เหลือแต่ความไม่ปรุงแต่งว่างเออว่างเอออาจารย์อย่างนั้นถ้าเราก็รับรู้อะไรสักตะวันรับรู้อย่างที่พระเจ้าตรัสกับไยยะ เรารู้อะไรเราก็เออไว้ที่อาจารย์เรารู้อะไรก็เฉยเฉยเออเออเฉยเฉยเออเออไว้ตาเห็นก็เออออไม่รับรู้อะไรหูได้ยินเสียงก็เออออรับรู้อะไรไม่สนใจอะไรพอมีอาการทางใจอะไรเกิดขึ้นก็เออเออรับรู้ไว้ไม่สนใจอะไรอยู่อย่างซื่อบื้อโดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราด่าโอ้โหเราแฝบจริงๆอ่ะเป็นบอกว่าเป็นลูกติดเราด้วยแล้วก็ต่อดหน้าเราเลยอ่ะนี่เป็นลูกติดใครเนี่ยลูกติดเนี่ยอาจารย์น่ะลงตาดำลงสักโอ้โหทำไมเป็นซื่อบื้อแบบนี้เนี่ยเออรู้เออรู้เออ แบบไม่รู้เรื่องอะไรเรียนเื้อบื่อแล้วโง่ดักดานอย่างเงี้ยจำฝึกให้โง่ดักดานในกี่ชาติแบบเนี้ยโอ้โหตายเราไม่ได้สอนอย่างนี้เลยแต่ทําไมไงปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วไปไปรายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราโอ้โหโดนอัดซะเนี่ยแต่ละคนเป็นอย่างเงี้ยมันเนี่ยไม่หลงเอาสังขารไม่หลงว่าไอ้ร่างกายกายที่เป็นกายสังขารกับไอ้จิตสังขารที่เป็นกายโปร่งแสงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเราก็จะกลายเป็นวิสังขารอัตโนมัติ ไม่ใช่เราสร้างให้ตัวเราเนี่ยเป็นวิสังขารแล้วไปรับรู้สังขารทั้งมวลไปรู้รับรู้ในทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปรับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นสังขารเน่ยรู้เออไว้ไปตั้งรู้เออไว้มันไปสร้างไอ้ตัวผู้รู้ที่เป็นสังขารไว้อันนี้มันผิดตรงกันข้ามเลยอ่ะมันมีแต่ว่าหลุดจากสังขารทั้งมวลคือกายสังขารและจิตจสังขารทั้งมวลมันก็หลุดจากโลกหมดเลยทั้งโลกไอ้ติดทัพว่าในโลกนี้สังขารนั้นนั้นเน่ย ไม่ว่าตึกหลามบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานในสมบัติพุทธสถานบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มันรู้แต่เป็นสังหารคือสิ่งปรุงแต่งมันต้องเสื่อมได้สิ้นไปได้ภูพังสลายไปได้ของอะไรเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งหมดเนี่นอกจากผู้รู้ที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ยจะเป็นพุทธะหรือเป็นสุญญาตาธาตุนิพพานธาตุเป็นนิพพานธาตุจะเป็นธรรมธาตุเป็นพุทธธาตุเนี่ยเป็นอรหันธาตุ พวกนี้เท่านั้นเนี่ยที่ไม่ปรุงแต่งเพราะมันเป็นวิสังขารเนี่ยมันไม่มีการเกิดดับไม่มีอาการใดๆเลยมันจึงสิ้นความปรงแต่งมันเลยไม่เสื่อมไม่เกิดไม่ดับมันเลยไม่มีใครฆ่ามันตายได้นิพพานก็ฆ่าไม่ตายไม่มีฆ่าฆ่ามันตายได้เพราะตัวมันไม่มีตัวตนแต่แรกไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเนี่ยเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันเลยไม่มีใครฆ่ามันตายแม้นิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายแต่หายตัวไปกลับคืนไปเป็นของมันดังเดิมคือไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง คือความว่างเปล่าของจักราวาลถ้าเราดูหนังพระเจ้ามาหาสัตว์ดาราโลกเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าตัดกับอนาถบิติกะเสดฐีเนี่ยแต่พวกเรียนพระวิธรรมเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยคือพุทธเจ้าไม่ได้ไปเองแต่รู้สึกว่าภาษาริบุตรให้ภาษาริบุตรไปแต่ในหนังพระเจ้ามาหาสัตว์ดาราโลกเนี่ยคือพพุทธเจ้าไปเองแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกว่าใครไป แต่เราสนใจตรงคําพูดที่พระเจ้าพูดกับอนาถาวิติกาเศรษฐีว่าอนาถาวิติกาเศรษฐีที่เป็นเป็นผู้สร้างวัดเทตะวันให้พระเจ้าที่ว่าเอาเหรียญทองเนี่ยไปปูเต็มพื้นดินเลยเจ้าชายเชษด์เนี่ยถึงจะยอมขายให้เพราะว่าไปตื้อเขาไงจะต้องอยากได้ที่แปลงเนี้ยถวายพระเจ้าเพราะดูแล้วที่ที่แปลงอื่นไม่ดี ไม่เหมาะสมของพระเจ้าสามที่แปลงเนี้อยู่ไม่ไกลเมืองเกินไปแล้วก็สงบเงียบแต่ที่แปลงนี้ยเป็นที่ของเจ้าชายเจ้าชายไม่ยอมขายทําไมก็ไม่ยอมขายไปตื้อๆเขาตื้อยังไงก็ไม่ยอมขายตื้อยู่นั่นแน่เขาก็เลยพูดประชดว่าถ้าเอาเหรียญทองมาปูเต็มพื้นที่เนี่ยที่จะขายยกขายขเท่ากับเหรียญทองที่ปูเต็มพื้นที่นี้ไอ้ช่วง น, นี้ขน building, เขาไม่นึกเขาไม่นึกว่าเจ้าเชษนี่มันจะคือเออเจ้าเชษไม่นึกว่าอำนาถรรมวิติการเศรษฐีจะขนาดนี้ ไปขนเงินมาปูหมดเลยเอามาเหรียญทองไปเอามาแลกเหรียญทองปูหมดเลยปูปูจูกะทั่งเงินหมดปูเหรียญทองเงินหมดไม่พอเหลือที่ยุงตรงส่วนข้างหน้าที่จะออกมาทางประตูวัชิรวันเนี่ยไม่พอเงินหมดเงินหมดขาดเกี้ยงเลย เ, ย ง, เงินเกี้ยงบ้านเอามาปูจเนเกี้ยงเลยโอ้โหเป็น ม, มหาเศรษฐีนะพี่นั้นไม่รู้กี่ทศวรรษสมัยนี้ มันมันกี่กี่โกดไม่รู้จะไม่ได้แล้วก็โอ้โหถ้าไปสมัยนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านหมดเลยเทมหมดตัวตอนใจถวายพระเจ้าไปซื้อเหรียญทองมาปูให้เต็มเลยเงินหมดแล้วแต่ซื้อที่ไม่หมดเลยเหลือไอ้ตรงแค่ทางทางเข้าวัชชะตะวันที่พวกเราไปกันมาวัชชะตะวันเนี่ยใครไปอินเดียจะไปเจ้าเ จ, จ้าเชษเห็นโอ้โหความใจถึงของอนาถวิติกาเศรษฐีบกพอแล้วพอแล้วไอ้ตรงนี้เรายกให้เรายกให้ ที่ตรงนี้ยกให้เลยอยกให้แล้วก็แต่ขอให้มีส่วนใช้ชื่อของวัดวัดนั้นเลยเรียกว่าวัดเชตาวันวัด อ, อะไรวัดเจ้าเชิดจ่ิงไงเจ้เชิ ด, ชดนี่ตอนอนาถวาิธิกะเศรษฐีจะตายพระเจ้าก็พูดกับอนาถะตรงเนี้สําคัญมากว่าอนาถะเธอกลัวตายเหรอข้าพระเจ้ากลัวตายพระเจ้าค่ะ ทำไมเธอจะกลัวตายแล้วในเมื่อกายนี้ก็ไม่ใช่ข้ารูปนี้ก็ไม่ใช่ข้าเวทนาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ข้าตาหูจมูกดินกายใจก็ไม่ใช่ข้าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ไม่ใช่ข้าสติปัญญาก็ไม่ใช่ข้าดินน้ําลมไฟ ซึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไงที่ประกอบเป็นร่างกายก็ไม่ใช่ข้าเหมือนกับข้าไม่มีตัวตนข้าไม่ได้เกิดข้าไม่ได้ตายความเกิดความตายทำอะไรข้าไม่ได้ข้าอยู่เหนือความเกิดและความตายข้าจึงไม่กลัวตายนี่เนี่คือสุดยอดคำสอนที่เราพยายามพูดกับพวกท่านทั้งหลายว่าวิธีที่จะออกจาก กายยสังขารกายเนื้อและวิธีที่จะออกจากกายโปร่งแสงคือคือรูปวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่ยังมีรูปประเด็นออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่พระเจ้าสอนอยนนาถาบิณฑิกะเศรษฐีพระพุทธเจ้าสอนให้อนาถาบิติกาเศรษฐีพูดซ้ําๆๆจนกระทั่งอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเข้าใจถึงใจและสิ้นความกลัวตายท่านทั้งหลายกลับไปฟังตรงนี้ให้ดีแล้วเนี่ยจะเข้าใจคําที่เราสอนตรงเนี้ย สำคัญมากคืออนัตตาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอรัน ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปสอนปัจจวัคคีทั้งห้าเป็นครั้งแรกสอนธรรมจักรกับปัวจานาสูตรสอนธรรมจักรกับวนาสูตรพอสิ้นคําสอนปัญจวัคคีทั้งห้ามีอัญญะโกนัญญะซึ่งเป็นหัวหน้า เข้าใจถึงความจริงแล้วลำพึงขึ้นมาว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังจริงจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติทุกอย่างที่เป็นสังขารทั้งมวลทั้งสังขารร่างกายและสังขารจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รวมทั้งสังขารไซนอกร่างกายที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมา ไม่ว่าตึกลามบ้านช่องเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาล้วนต้องผุพังสลายต้องเสื่อมต้องเก่าและผุพังสลายไปหมดสิน้น โ, โ, โอ้พระพุทธเจ้าเทศสอนอย่างเทศสอนปุ๊บล้ำพึงขึ้นในใจเลยเห็นจริงด้วยใจของตนเองว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาล้ำพึงมาในใจอ ย, อย่างเงี้ยพุทธเจ้าตรัสเลยว่า อัญญาโกนธัญญารู้แล้วเนาะ อ, อัญญาโกนธัญญาเห็นแล้วหนออัญญาโกนธัญญารู้แจ้งแล้วเนอบรรลุปัสดาบันเลยเห็นแค่นี้นะบรรลุโสดาบันพุทธเจ้าเทศอนัตตลักขณาสูตรต่อว่าสิ่งที่เจ้าเห็นน่นแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาโดยเฉพาะร่างกายนี้รูปประคันนี้ เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมดับไปเต็มธรรมดาควรหรือที่เธอจะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเพราะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงแต่แรกแล้วและมันเป็นของที่เป็นทุกข์ที่ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และไปเป็นของที่เราไม่อาจจะบังคับให้มันเนี่ยเที่ยงแพ้เหยื่อกันตลอดไปควรหรือที่เป็นของไม่เที่ยงที่มันทนอยู่สภาพเดินไม่ได้มันจะต้องดับไปเสื่อมไป แตกดับไปเป็นธรรมดาจะต้องเนี่ยตายแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นธรรมดาแล้วควรจะไปหลงเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นสมมติที่เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมาเป็นตัวเราเหรอไม่ควรยึดพระเจ้าค่ะอแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่อธิบายเป็นกายโปร่งแสงเนี่ยเป็นนามกายเนี่ยมันก็แบบเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และมันเป็นอนัตตาจะบังคับ มันก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับของเราเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมาได้ cert, เราจะรู้ยังไงมันก็พยายามยังยังคิดยังติด ต, ตองปรุงแต่งของมันได้อยู่เราเป็นผู้รู้ยังไงมันก็ยังเป็นผู้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้มีอารมณ์เดี๋ยวมันก็พาเราแน่นจุกดอัดเดี๋ยวก็พาเราโป่งโล่งเบาสบายเดี๋ยวก็พาเราเราสุกข์เดี๋ยวก็พาเราทุกข์วนเวียนสลับอย่างเนี้ยควรหรือที่เธอจะไปยึดมันว่าเป็นเราตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะอัญญาโกนสัญญะ และปัญจวัคคีย์ทั้งหปล่อยวางรูปประคันปล่อยวางนามประคันเลยปล่อยวางสังขารทั้งมวลในโลกนี้เพียงแค่ปล่อยวางสังขารกายตัวเองและปล่อยวางสังขารจิตสังขารแค่นั้นแหละปล่อยวางรูปประคันและนามประคันหมดสิน้นสิ้นขณะจิตที่ปล่อยวางรูปประคัและนามประคันเนี่ยกลายเป็นวิสังขารโดยอัตโนมัติกลายไปเป็นสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับตลอดกาลจึงมีอยู่ในหน้าปกหนังสือของเจ้าคุณนอ ธรรมวิจโกที่เป็นพระอรหันต์กลางกรุงว่าพระโสดาบันเห็นว่ารู้แก้งรู้แจ้งแก่ใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่พระอรหันต์เห็นว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นเน่ยย่อมไม่ดับตลอดการเป็น นีาา่เนี่แพระพุทธเจ้าเพียรพยายามที่จะสอนพวกเรามาถ่ายทอดไปให้แกปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งเป็นพระสงค์จ่เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นในโลกในขณะนั้นโลกธาตุก็รับไม่ไหว เกิดขึ้นแล้วบันนี้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมแล้วในโลกโลกกระทาดก็สนั่นวันไหวจะเกิดเป็นโลกกระทาเศเษฐีวดาอืออึงบรรลุทุกโลกกระทาหมดพระอรหันต์เหล่านั้นก็ถ่ายทอดต่อมาจากประสบการณ์ฟังจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุอาหารถ่ายทอดประสบการณ์ตรงมายังพระอริยสงฆ์ต่อมาต่อมาจนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราต่อมาจนถึงเราและเราก็ถ่ายทอดต่อไปยังทุกท่านพระพุทธศาสนาไม่ใช่ เอาความจํามาบอกเล่ากันแต่เอาความจริงที่มันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงจากใจของตัวเองจากประสบการณ์ที่ได้ได้ฟังมานำมาพึ่งนมาน้อมนําปฏิบัติการขั้นฟังก็เรียกว่าสุตตะมยาปัญญานํามาน้อมพิจารณาให้มันเกิดขึ้นจริงปฏิบัติให้จริงในในใจของตัวเองนํามาขบคิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจรู้แตกฉานขึ้นมาใน ใ, นใจให้มันแตกฉานขึ้นมาใน ใ, นใจของเราเรียกว่าจินตามายาปัญญา เพราะมันแตกฉานในใจของเราก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสังขารทั้งมวลไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เลยกลายเปสิ้นยึดสังขารคือรูปประคันและนามประคัแค่นั้นแหละก็เลยกลายไปเป็นวิสังขารเห็นว่าสิ่งใดไม่เกิดวิสังขารคือสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับย่อมไม่อาจถูกทำลายได้ตลอดกาล เข็แนแจ้งประจัดแก่ใจของตนเองแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งเนี้ยออกไปยังให้แก่พวกอื่นต่อไปเรื่อยๆนั่นแนวพุทธศาสนาจะเป็นการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตถ่ายทอดทำออกจากใจของพระองค์ไปยังลูกศิษย์ของพระองค์คือพระยาทร์ทั้งหลายไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มายังเราไปยังจิตใจของพวกท่านเพื่อทำนั้นนี่ยเข้าไปสู่จิตใจของท่านตั้งแต่สุตตมายปัญญาขั้นฟังกินตามมายาปัญญาเอาไปกบคิดพิจารณาให้เข้าใจด้วยใจของเรา ตลอดเวลาอย่าหลงประยึดสังขารทั้งมวลจึงปล่อยวางสังขารทั้งมวลได้ไปเป็นวิสังขารเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงและก็เป็นจริงๆปัญญาจึงมีสามขั้นตอนแต่ถ้าท่านแค่ลองพังแต่ฟังแล้วท่านทิ้งไปหมดไม่นํามาเป็นจินตามย์ปัญญาไม่นํามาเป็นภาวนามาย์ปัญญา ไม่เกิดอะไรเลยไม่เป็นผลอะไรเลยดังนั้นผู้ที่เรียนอภิธรรมจนถึงขั้นด็อกเตอร์แลีวนี้ก็มีเปิดสอนจนถึงด็อกเตอร์ผู้ที่เรีย น, รร น, น, ยน ป, น ะ, เเยนปะเรียนจนถึงเก้าประโยคถ้าเรียนจบแล้วไม่นํามาเป็นกินตามยัปัญญานํามาพิจาครณาไข้ควรได้รอบคอบจนปล่อยวางความหลงยึดปั้นถือมั่นทั้งพวงไปก็จะไม่เข้าไปสู่วิวสังขารได้คือความไม่ปรุงแต่งได้ ก็ได้แต่เป็นความรู้ในกระดาษความรู้นอกเป็นแค่ขั้นสุตตมยปัญญายังไม่เป็นขั้นจินตามัยปัญญาและไม่อาจจะเกิดเป็นภาวนามัจปัญญาขั้นปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งมวลได้พุทธศาสนาจึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ในกระดาษแล้วฟังแล้วก็แล้วก็จำได้เอาไปสอบเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงในใจ รู้แจ้งในใจพ้นทุกจริงรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงคําสอนพระเจ้าไม่ใช่คําหลอกลวงไม่ใช่เป็นคําให้เชื่องมงายแต่นํามาปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกได้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงอย่างนี้พระโสดาบานันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดจอมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวงคือ ร่างกายจิตใจของตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ขนาดจิตที่ปล่อยวางก็เลยกลายเป็นวิสังขารคือพบอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่คือสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับคือวิสังขารตลอดการเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธาตธาุตลอดการไม่มีใครทําลายได้เพราะไม่เกิดไม่ดับเป็นอย่างนั้นตลอดการเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยฟังแล้ว รีบเร่งน้อมมาเพราะว่าในขั้นฟังมันจะเป็นสุตตะมยปัญญาท่านเข้าใจแล้วบางท่านชัดถึงใจจริงจริงกำลังที่มันชัดชัดอยู่เนี่ยท่านรีบเร่งน้อมพี่นาอย่ามัวกับพอฟังเสร็จไปคุยกันปีกตัวออกไปเลยตอนนี้มันมีเวลาแล้วให้เป็นจินตามายปัญญาปล่อยวางสังขารทั้งมวลให้เกิดขึ้นจริงในใจเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ยังกิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติไม่เข้าไปยึดสังขารทั้งมวลให้เป็นจริงกันในใจของเราเพียนละไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆไปเช่ว่าละไปจับและปล่อยละไปจับไปปล่อย<ๆ>ก็คือเพียนไม่เข้าไปยึดสิ่งใดทั้งหมดในสังขารทั้งมวลให้ปล่อยวางสังขารไปเรื่อยๆ ป, ปล่อยวางสังขารทั้งหมดไปให้หมดอยู่ตลอดเวลาเจ้ากระทำปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นไปหมดสิ้น ผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นว่าบัดนี้สังขารทั้งมวลไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นแล้วผู้รู้นี้จึงไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้ที่ไปไล่รู้อาการผู้รู้ที่เป็นพุทธะที่บอกว่ากายเนื้อลูปกายและนามกายที่เป็นกายจิตปร่งแสงเนี่ยและผู้รู้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงผู้รู้ที่ไปไล่รู้ความคิดไล่รู้อารมณ์ไล่รู้อาการแต่ผู้ผู้รู้นี้คือผู้รู้พ้นผู้รู้พ้นผู้รู้ว่าสิ้นยึดแล้ว แล้วก็ผู้รู้ว่าหลงไปยึดแล้วแล้วก็เอรู้ว่าไม่หลงแล้วแล้วก็เผลอปุ๊บพอขาดสติก็เผลอไปยึดอะไรแล้วแล้วพอมีสติขึ้นมาไอสติเนี่ยก็ช่วยให้มีผู้รู้เนี่ยรู้ขึ้นมาว่าบัดเนี้ยหลงเข้าไปยึดอะไรแล้วหลงไปยึดเอาไกลเนื้อหลงเอาไปยึดเอาไกล ที่มีความรู้สึกหรือิดอารมณ์ที่มันโปง่งโลง่ลงเบาสบายแน่นตืดอัดตื้อที่มันเศ้ามองว่าเราเป็นอีแล้วอาจารย์หนูเป็นอีกแล้วเราเป็นอีกแล้วไปยึดเอาไอ้ตัวที่เป็นอาการเนี่ยเป็นตัวเรามื่พอหลงปุ๊บไอ้สติปัญญามันก็มาเลยว่าหลงหลงหลงหลงแต่สติไอ้ปัญญาเนี้ยมันเป็นขันห้ามันเป็นสติปัญญาเนี้ยมันเป็นสติที่เป็นสังขารสังขารละขันในขันห้ามันก็จะมาทันทีว่า หลงแล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดมาไม่ไม่เข้าใจเหรอเมื่อกี้ก็ฟังมาว่าหลงแล้วหลงแล้วหลงไปยึดเอาสังขารแล้วสติปัญญาที่เราฟังไปเนี่ยเป็นสติปัญญาในขันห้าเป็นสังขารขันไอสติปัญญาที่มันช่วยให้เราตอนหลงแล้วมันมามาเตือนว่าหลงแล้วหลงแล้วนี่ก็เป็นสังขารขันมันก็มาเตือนว่าหลงแล้วหลงแล้วไอผู้ที่มันผู้รู้ที่มันหลงไปยึดมันก็ถอนว่าตัวมันมันก็รู้ว่าตัวมันเนี่ยหลงไปยึดแต่แล้วไปยึดเอา ไอ้กายสังขารไอ้จิตสังขารที่เป็นมีอาการเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็เล็ดถอนการยึดคือหายหลงพ อ, อหายหลงแล้วมันก็รู้ว่าไอ้ผู้รู้ก็รู้ว่าเนี่ยมันไม่หลงไปยึดอะไรแล้วอไอ้ที่จะมาช่วยให้มันหายหลงเนี่ยคือสติ ป, ปัญญาในขั น, น่ามาช่วยให้ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันหายหลงเดี๋ยวมันก็ไปหลงอีกหลงไปไปเอาไอ้หลงคืออาวิชาคืออาวิชาคือ ไปหลงเอาไว้ไอ้กายเนื้อเอาความรู้สึกไปคิดอารมณ์เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็ไปหลงยึดเอาไอ้กายราสังขารกับไอ้จิตเราสังขารเนี่ยไอ้รูปขันกับนามขันเป็นตัวเราตัวอีกแล้วที่มีอาการในตัวที่มีอาการเป็นตัวเราอีกแล้วไอ้สติปัญญาในขานหน้าก็ต้องมาช่วยว่าเองหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วเองเป็นผู้รู้ที่ไม่มีอาการไม่ใช่เหรอเองไม่มีอาการใดๆเลยเป็นวิสังขารไม่มีอาการใดๆไม่ใช่ว่ามีอาการไปรู้เองไม่ได้มีอาการไปรู้ความคิดรู้อารมณ์ไม่ใช่ไปรู้กิริยาการใดๆเองเป็น ไม่มีอาการใดเลยเป็นวิสังขารที่ไม่เข้าไปยึดอะไรเลยรู้แต่เพียงว่ามันสิ้นหลงแล้วมันมันหลงแล้วมันสิ้นหลงแล้วมันหลงแล้วมันสิ้นหลงแล้วมันรู้แค่นี้แ่ะมันหลงแล้วมันก็รู้ว่าสิ้นหลงไอ้สติปัญญาในขันธ์หน้ามันมาช่วยทำให้ตัวมันสิ้นหลงทาให้ผู้รู้เนี่ยสิ้นหลงเสร็จแล้วพอมันสิ้นหลงแล้วมันก็รู้ว่าปับันนี้มันสิ้นหลงแล้วมันไม่ไปหลงเอาไว้ไอ้กายสังขารและจิตสังขารเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันเลยกลายเป็นตัวมันเนี่ยเลยกลายไปเป็นวิสังา คือความไม่เกิดไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับตลอดการแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเป็นสังขารทั้งมวลไม่มีใครเข้าไปหยดไปยึดบ้านถือมั่นพระโสดาบาลจึงเห็นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่พระอรหันต์ที่สิ้นความหลงสังขารแล้วหลงยึดสังขารแล้วก็เสี้ยวนนี้ที่หลงยึดสังขารก็เลยพบอีกหน้าหนึ่งคือวิสังขารคือรู้ว่าสิ่งใดไม่เกิด สิ่งนั้นไม่ดับรู้นี่จึงเป็นรู้พ้นเนี่ยรู้พ้นไม่ใช่ไปไล่รู้อาการผู้ที่ไล่รู้อาการได้เป็นสังขารขันเป็นความปรุงแตง่งถ้ามันหลงไปไล่รู้อาการก็เพียงแต่มีปัญญาเห็นว่า น, น, น, านาาาี่มันเป็นสังขาราไปไล่การไล่รู้อาการได้มันเป็นสังขารเราไม่ต้องไปทำอะไรแค่เรารู้ว่าเป็นสังขารมันก็สิ้นหลงแหละแต่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นสังขารมันก็เลยหลงไล่ลรู้อาการจริง ไล่รู้ความคิดไล่รู้อารมณ์จริงๆเพราะเราไม่รู้มเป็นสังขารแต่พอตั้งติปัญญามาเนี่ยมันจะไล่รู้ยังไงก็เป็นสังขารพอมันสิ้นหลงแล้วมันไม่หลงว่าไอเนี่ยเป็นตัวเราไอตัวที่ไล่รู้เนี่ยเป็นตัวเราคือเอาตัวเราพยายามไปไล่รู้ทุกคิดตัวอาการไล่รู้สังขารพอมันสิ้นหลงแล้วลองแก้งมาทําเป็นหลงดิแก้งมามาทําเป็นหลงมันเป็นสังขารมันหลงยังไงมันก็ไม่เป็นหลงเพราะอะไรมันรู้ซะแล้วมันก็ไม่เป็นหลงพยายามมาหลงพอมันสิ้นหลงแล้วว่าเออ ไอ้ผู้ที่ไปดูไปรู้จิตเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่หลงกับสังขารใดๆทั้งมวลต่อมาเนี่ยหลงแก้มมาเป็นสังขารมาดูจิตมันก็ไม่หลงเพราะว่ามันเห็นว่าก็ปรุงแต่งเอง uh, แก้งปรุงแต่งมาดูจิตเองมันจะหลงได้ยังไงก็เพราะว่าตัวเองก็แก้มปรุงแต่งมาดูจิตเองมันจะไปหลงกับสิ่งที่ปรุงแต่งยังไงมันก็เลยไม่หลงนะเราจึงไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพียงแต่ว่าขอให้เรารู้ว่าสังขารทั้งมวลที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในปัจจุบันอ่ะมันเป็นสังขารเท่านั้นเนี่ย เราก็จะสิ้นหลงว่าเป็นสังขารทันทีเราไม่หลงไม่รู้ว่าเป็นสังขารแน่ๆเราเลยหลงว่าเป็นสังขารเพียงแค่รู้แค่ น, นั้นแน่มันก็ละไปแล้วได้ตัวไม่ใช่ไปทํำกิจยาจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยนะในแนวสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะพูดในท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจถึงใจของพวกท่านเนี่ย มันเข้าถึงจิตใจของพวกท่านจริงๆไม่ได้เข้าถึงเพียงแค่ผ่านหูซ้ายก็รู้หูขวาเพียงแค่ความจําถ้ามันเข้าไปถึงจิตถึงใจให้ทำของพระเจ้าเนี่ยที่ออกมาจากใจพระเจ้าผ่านเราเนี่ยไปยังจิตใจของพวกท่านจริงๆให้รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงละสังขารทั้งมวลได้จริงๆไปเป็นวิสังขานนรได้จริงๆจึงเพียนผู้เพียนสอนมาต่อลหลาเกือบยี่สิบปีที่เสียสละเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วต้องจากโลกนี้ไป เรามาอยู่ในโลกนี้ก่อนที่จะจากไปก็ทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่โลกทิ้งคำสอนไว้ทิ้งไว้ใน u t u ู e ให้แก่โลกก่อนที่เราจะจากไปผู้ที่เกิดมาไม่ทันเรามาพบเราที่หลังอาจจะได้มาฟังและเข้าใจได้เกิดปัญญาสดุกใจตัวเองขึ้นมาได้ปรัชนาเพียงแค่นี้เนะ่ พ่าู้ที่มาที่หลังไม่พบเราหรือผู้ที่เกิดแล้วไม่ทันได้พบเรามาพบที่หลังแต่คําสอนที่เราทิ้งไว้ให้แม้แต่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเราจึงเพียรที่จะพูดสอนทุกแง่ทุกมุมด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาก่อนที่เราจะดับจากโลกนี้ไปเพราะสังขาร เป็นของไม่เที่ยงเป็นของธรรมดาเหมือนกันทุกคนไม่ว่าตัวเราและท่านทั้งหลายเราจึงมีความไม่ประมาทเรามีกําลังแล้วก็สอนทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งคำ่ำทั้เช้าทั้งเย็นทั้งค่าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนยี่สิบปีมาแทบไม่ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนแต่โชคดีที่สังขารเรายังแข็งแกร่งอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดับไปเมื่อไหร่เพราะว่าถึงแข็งแกร่งอย่างไรที่สุดอะมันก็ต้องสิ้นไปเสื่อมไปและดับไปเป็นธรรมดา แต่สิ่งที่เราปรารถนาที่จะช่วยโลกปรารถนาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นปรารถนาที่จะช่วยโลกก็ได้ทำสุดๆความสามารถเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยตเราจะมีความสามารถใดๆเราก็ทำไปเพิ่มเติมเข้าไปเข้าไปเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ใกล้แล้วกล้จะจากโลกนี้ไปเหมือนพวกท่านบางคนนั่นแหละเราก็อายุมากแล้วท่าน พยายามจะพูดกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็อย่ามัวประมาทไม่ใช่ฟังแล้วใส่หูซ้ายแล้วไปจะรู้หูขวาไม่เข้ามาน้อมเข้ามาถึงใจได้แต่สุตตะมยะปัญญาขั้นฟังไม่เป็นจินตะมยะปัญญาไม่เป็นภาวนามยะปัญญาปล่อยทิ้งกว้างไปเราตายไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วพวกท่านทั้งหลายที่ยังประมาทอยู่ท่านจะท่านจะรู้สึกบ ต, ต่อไปในวันข้างหน้าไม่มีใครรับสมการบ้านนะอืม ไม่มีใครรับส่งการบ้านพวกท่านท่านติดขัดอะไรไม่มีใครรับส่งการบ้านพวกท่านนั่นแหละเราตายไปจากโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีใครมารับตรวจการบ้านท่านหรอกก็ต้องดูพ่กเราขยันหรือเปล่าขี้เกียจอยู่ก็ไม่ไหวลนะ ฮะ <Huh? S 2> ต้องดูขยันเอาจริงหรือเปล่าอ่ะขอให้พนทุกพนทุกนทุกพนทุ ก, ทกให้รู้ตามเห็นทำได้เลย